ท่านฟังค่ารายการสัสนิสนทนาค่ะเราพบกันที่นี่ก็สัปดาห์ละห้าวันนะคะจันถึงศุกร์ค่ะที่นี่หมายถึงสถานีวิทยุครอบครัวข่าวหรือบางท่านอาจจะฟังที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติซึ่งสองที่นี้ก็เวลาต่างกันนะคะถ้าครอบครัวข่าวจะเป็นช่วงเช้าตรู่ตีห้าแต่ถ้าเป็นวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่จะเป็นเวลาบ่ายสามโดยประมาณค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้มาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะที่ได้วุ่งมั่นที่จะเผยแผ่คําสอนของภาษาสดาและมีโอกาสพิเศษเทศการเข้าพรรษาท่านก็มีโปรแกรมพิเศษมอบให้กับท่านทั้งหลายด้วยเหมือนกันคือพระอาจารย์พบูลย์พิบุญ โ, โนจากวัปดป่าดอนายโซดรนธานีนะคะนวัฒนการเรืองค่ะใช่เชิญพรในเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่เราจะนํามามอบให้ท่านผู้ฟังในช่วงเข้าพรรษานี้ที่เป็นจากพระโอษฐ์เลยนะ ก็คือว่าตอนนี้เรามาถึงตอนที่พุทธเจ้าออกบวชแล้วนะความที่ออกบวชนี่ก็คือเที่ยวชายหาอหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายนะสิ่งไหนที่ไม่แก่ไม่ตายอยู่ที่ไหนจะไปเอาก็เลยจะไปไหนละ่ะตอนแรกใช่ไหพุทธเจ้าก็เลยไป เ, เรียนนะความรู้จากในสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนเรียนความรู้เนี่ยนะเขาไม่ได้มีเปิดเป็นมหาวิทยาลัย มีระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมตรียมตรมอุดมอะไรย่างนี้ไม่มีนะก็ะคือคุณสนใจเรื่องไหนคุณไปเรียนกับเจ้าสำนักเลยแลก็ไปอยู่กินกับเขาเรียนกับเขาเลยนะซึ่งก็ลักษณะนี้เหมือนกันนะว่ า, าไปเรียนกับถ้ธธาเกิดสานักของอาราดาบทนะอราดาบทกรามาโคตรก่อนเรื่องตรงนี้เนี่ยอเอกถารมีเพิ่มเติมมาก่อนที่พระองค์จะเดินทางไปถึงสํานักของอาราดาบทกรมาโคตรเนี่ย ได้แวะเข้าไปในเมืองอเชตวันเออเมืองอะไรล่ะของพระเจ้าพิมพิสารนะนะพอเข้าไปเนี่ยคนก็ฮือฮาเลยโอ๊ยสมณะรูปนี้มาจากไหนรูปงามเหลือเกินอะไรต่างๆอย่างนี้นะซึ่งพระองค์ไม่ได้บอกไว้แล้วก็ยังพูดถึงการรับประทานอาหารมื้อแรกที่เป็นอาหารใส่บาทมาเนี่ยก็รับประทานด้วยอาการที่เรียกว่าโอ้กินไม่ลงคื <laughs> อเป็นอาหารที่ไม่ประณีตเหมือนที่เคยรับประทานมา แต่แต <Okay. S 1> พระงคระเจ้าก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไงได้บอกไว้แต่ในช่วงที่ทําทุกกรกิริยาซึ่งลําบากกว่าที่ที่เนตัสถาได้พูดไว้อีกนะ <Okay. S 1> อย่างนั้นก็ตามตอนนี้ก็จะพูดถึงว่าพอไปถึงสํานักของอารา บ, บทกัลโมโคตรไปรเรียนอะไรอา <Okay. S 1> นะรา บ, บทกัลโมโคตรก็ท่านกัลามาร์เนี่ยก็สอนวิชาที่เรียกว่าสมาธินะถึงขั้นที่แปดนะเขาเรียกว่าอากินจัญญาิสตนะ นะั่นคือรูปอรูปสัญญาสมาบัติขั้นที่แปด อ, อรูปขอไปอรูปสัญญาสมาบัติขั้นที่4นะีนะคึ่งซึ่งสมาธิระดับนี้เนี่ยไม่ได้ว่าทํากันง่ายๆในสมัยก่อนนะซึ่งอรระละกัลมโคดเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองทําได้นะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเออตัวเองก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอรระละกาลมโคดเนี่ยก็เลยยกย่องโพธิสัตว์นะสมณโคดมเนี่ยว่างั้นมาช่วยกันบอกสอนคนอื่นก็แล้วกันนะในเมื่อท่านทําได้ก็ดีแล้ว พ <Okay. S 2> ระเจ้าก็บอกว่าเอ๊รู้สึกว่าไอ้สมาธิขั้นที่แปดที่เราทําได้อยู่เนี่ยมันยังเป็นใบเพื่อการเกิดใหม่อยู่นะี่ยังไม่จบนะี ม, น <Okay. S 2> มันยังมีการเสื่อมอยู่แตนะถ้าใครทำสมาธิเนี่ยคุณโยมติว๋วตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญอพระเจ้าแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายนะไม่มีการ <Okay. S 2> เปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอตัวเองเข้าสมาธินี้ไปตัวเองเข้าสมาธินี้ไปปรากฏว่าเฮ้สมาธินี้ก็ยังเสื่อมไปได้โ <Okay. S 2> อ้ค่ะ เห็นประเด็นนี้นะท<ะ>ี่เมื่เราออกจากสมาธิเอัสมาธิมันก็ดับไปแล้วเออที่แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่่<ะ>อาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใช่ไว้งั้นไปหาต่อนะก็เลยไปห า, อ, าอีกสำนักหนึ่งที่ชื่อว่าอุทธากะดาบดท่านอุทธกะรามบุตรเนี่ยก็เรียกว่าท่านรามะละกันน ะ, ะท่านอุทธากะรามบุตรดูท่านรามะเนี่ยก็สอนที่ลึกซึ้งขึ้นไป คือเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะโอเคอาภายัย เ, เมื่อสักครู่นี้ที่อาราตะบทกรรมโคดเนี่ยสอนคืออรูปสัญญาสมบัติขั้นที่สามค่ะคือชันที่ก็เรานิยมที่จะพูดกันว่าชันที่7จันชันที่7จ็ดนะเราก็อาราตะบทอุทธการามบุตรเนี่ยก็สอนสมาธิขั้นที่8ปนะคือเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะะ<อ>ก็ยังพบว่ายังมีความเกิดดับในสมาธิระดับนี้อยู่ ก็เลยก็เลยคิดว่าไม่เอามันเบื่อหน่าย <Okay. S 1> แล้วก็ยังไม่เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็เลยทำยังไงดีก็พิจารณาเห็นแล้วก็พบว่าเอเราก็เที่ยวศึกษามาถึงระดับนี้แล้วซึ่งตรงนี้ไม่ได้บอกว่ากี่ปี <Okay. S 1> นะหรือว่าทางานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ระบุว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังคื <Okay. S 1> งอหมายความว่า ระหว่างการทําทุกขกรริรียากับการที่ไปอยู่กับอุทกะรัมบุตรกับในสํานักสองสำนักอันนี้นะ <Okay. S 1> ไม่ได้บอกว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ว่าไล่มาเป็นลําดับอย่างนี้ก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะเนาะคนทั่วไปก็จะคิดว่าอาจจะไปสั่งสานักนี้ก่อนแล้วไม่ไม่เวิร์คไม่ได้นะก็เลยมามาทําทุกรกิรมยามาปฏิบัติเองปฏิบัติเองทํำยังไง <Okay. S 1> ก็ไปหาพื้นที่ที่ โรมาเนียสถานพุะจ้าใกรรมนี้ <Okay. S 1> โรมาเนียสถานเนี่ยก็คือมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ําไหลใสยเย็นจืดสนิทนะคือต้องมีน้ําหละแล้วก็มีหมู่บ้านที่อยู่ในระแวกนะเพื่อนที่จะไปบินฑบาตได้ก็เลยเห็นว่าในระแวกที่แม่น้ําเนรันชรานะก็ในตําบลอุรุเวรานะมีความเหมาะสมก็เลยไปนะคิดว่าจะทําความเพียรอยู่ณที่นี้ถ้าใคร <c oughs> ได้เคยไปอินเดียนยจะเห็นว่าในบริเวณนั้น ก็มีแม่น้ําอยู่คนะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่รอบๆเดี๋ยวนี้การเป็นที่ต้องเที่ยวไปแล้วละ่ะใช่ค่ะแล้วไปเห็นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จริงๆอว่ามันมีความไม่เที่ยนนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงใช่มันไม่เหมือนแม่น้ํานะคะอะไรคะมั น, ม, นมันแห้งไปบ้างอะไรไปบ้างนะไม่าด้น้ำตืนต้นเ อ, อพ่ออยู่ในแถวนั้นพระพุทธเจ้าทําอะไรน ะ, ะก็ได้ทําข้อปฏิบัติ นะที่เรียกว่าเข้าปฏิบัติ4อย่างที่ทำได้ยากยคืออันแรกเนี่ยการประพฤติตบะการประพฤติตบะเนี่ยก็คือว่ามีตบะเนี่ยคือมีความอดทนใครมาร้องเชิญไปกินข้าวไม่ไปใครมาถ้าคนมาเชิญนี่เป็นคนที่มีลูกอยู่ไม่ไปคนที่มาเชิญนี่ไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมียไม่ไปนะถ้าเขาเชิญไปกินอาหารที่มีปลามีเนื้อไม่ไป คือลักษณะนี้เป็นการขูดกล่าวตัวเองว่างนั้นเถอคะคบางทีนะกินอาหารเก่าๆเขาเก็บไว้เจ็ดวันบ้างเดือนหนึ่งบางแต่บางทีก็กินสล่ายเป็นอาหารบ้างกินแกลบเป็นอาหารบ้างกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมูลวัวลูกวัวถ้ามันยังเด็กๆอยู่เป็นวัวเบบีนะอ่ะนะยังกินนมแม่อยู่ทารกวัวก็ดื่กินนมแม่อยู่อุจจาระ ข, ของมันออกมาเนี่ยก็จะ เหลวๆใสๆเป็นเหมือนกับโคไมค์เขาเรียกว่าโคไมคก็กินอนัตก็ได้หรือบางทีรับประทานอาหารที่ต้นไม้มันให้มาเช่นหล่นเองไม่ไปเด็ดต้นไม้นะหล่นเองจึงกินลักษณะ น, าานี้คือทำตัวให้เริ่มลำบาก่ะหรือข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่งนะพุทธเจ้าก็าทำตัวที่เรียกว่า ลักษณะว่าไม่ต้องการจะเหยียบสัตว์แม้ตัวเล็กๆเลยนะคุณยมติวเอาไม้มาปัดข้างหน้านะมีสติในการก้าวไปในการถอยกลับจะนั่งนี่ก็ต้องดูก่อนปัดๆๆๆๆไม่ให้มีตัวอะไรมาอยู่ข้างใต้เราจะได้ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้ก็มีค <Okay. S 1> ่ะแล้วก็บางทีก็ไม่อาบน้ำนะไม่ยอมอาบน้ําจนกระทั่งเนื้อตัวเนี่ยเป็นสะเก็ดขึ้นมามีอะไรเ ก, กิดกลังเป็นหมดเนี่ยดาๆปื้นๆเขาเรียกว่าเป็นสะเก็ดเนี่ยดําเหมือนต่อตะโกเนี่ย ลักษณะนี้ก็มี <Okay. S 1> นะบางทีก็เป็นคนประพฤติในความเศร้าหมองเป็นความสงัดนะข้อปฏิบัติในความสงัดเนี่ยอยู่ที่เงียบๆคนเดียวถ้าใครมาเห็นใครเดินเข้ามาทางนี้รีบหนีทันทีนะ mm hmm. ประพฤติตัวเหมือนกับสัตว์ป่าที่พอเจอคนเนี่ยในป่าใช่ไหมเขาจะรีบรัดเลาะจากป่านี้สู่ป่านโนนอืน mm hmm. ลักษณะนี้เลยบางทีก็ไปอยู่ในเอราวป่าที่น่าสะรึงกลัว แล้วก็ในฤดูร้อนเนี่ยก็อยู่ย ope, กลางแจ้งฤดูหนาวก็อยู่ในปา่ามันก็ยิ่งร้อนยิ่งหนาวอะ่ะใช่ไหมฤดูหนาวอยู่ในปา่าเนี่ยโอ้โหยิ่งหนาวฤดูร้อนอยู่กลางแจ้งก็ยิ่งร้อนอย่างนี้น ะ, ะนี่คือลักษณะที่พระเจ้ารองบัดรองกระทําดูเผื่อว่ามันจะได้เห็นผลบ้างลักษณะนี้อันนี้ที่เรียกว่าทําร่างกายให้เป็นทุกข์ที่เราว่าบําเพ็ญทุกรกิริยานี่ไม<ะ>ทุกกิริยาตอนต้นทุกรกิริยานี้ยังมีอีกหลายวาระ ค่ะวันนี้จะเอาแค่เนี้ยไปก่อนอือแค่นี้ก็แย่พอแล้วนะยังมีอีกอีกวาระหนึ่งซึ่งโอ้โหชุดนี้เป็นชุดใหญ่กราจะืคือจัดหนักเลยคราวนี้วันนี้เวลาตรงนี้คงจะยังไม่พออ่าก็เลยะฟังเท่านี้ก่อนได้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของอริยสัจค่ะอริยสัจสี่เราได้พูดถึงว่าคุณจะรู้อริยสัจได้เนี่ยคุณต้องเป็นอจิตคุณต้องเป็นสมาธิ หรือว่าคุณจะรู้อริยสัจได้เนะี่ยคุณต้องเป็นผู้หลีกเร้นนะถึงจะมีรู้อริยสัจได้แล้วเราก็ได้กล่าวถึงอริยสัจโดยคร่าวๆไปแล้วนะจะก็จะกล่าวถึงอริยสัจคือความทุกข์ก่อน เ, ออเราได้บอกไปแล้วว่าความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์ความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงคุณโยมติวคะบางคนอาจะบอกว่านี่ไงแม่ปวดท้องนะต้องคลอดลูกอันนี้ทุกข์ของแม่ไม่ใช่ทุกข์ของคนเกิด ไม่ทุกของเด็กที่เกิดนะหรือบางคนบอกว่าหมอเนี่ยหมอบางนี้ต้องตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยมาทําคลอดให้ น, นั่นมันทุกของหมอมันไม่ทุกของคนเกิดคะ่ะอ่าหรือบางคนบอกว่าทุกของพ่อไงพ่อต้องมาคอยโอแม่เนี่ย น, นี่มันทุกของพ่อไม่ลุกคนเกิดบางคนบอกว่ามันทุกตอนจ่ายเงินค่าคลอดต <c oughs> ั <c oughs> ๆ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เขายินดีเหรท่านค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทุกของคนอ่าวถามว่าคุณยินดีแล้วคุณเจ็บไหมอะค่ะ คุณไม่ได้ยินดีในความทุกข์นะแต่คุณยินดีในเมตตาที่อยู่ในจิตนั่นเป็นคนละอันกันอย่างไรก็ตามพวกนี้ไม่ใช่ทุกข์หรือสุขของคนเกิดดังนั้นเด็กที่พลอดคลอดพวดออกมาจากคันมารดาเนี่ยทุกข์ของเขาคืออะไรทุกข์ของการเกิดกุญยโยมเดี่ยวคือการที่ต้องอยู่ในคันอุดอู้อยู่ในคันเนี่ยตลอดเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างมันเป็นทุกข์น ะ, ะคุณจะหายใจอะไรก็ไม่ได้หล่ะอยู่อุดอู้อยู่ที่เดียว ในคันมัดานี่ก็มีเสียงตุ้งตุ้ง ended, ตุง ต, งต fått. คือเสียงหัวใจของมารดาดังอยู่บนหัวตลอดเวลาแต่ไหมขยับตัวไหน Mich, ไปไหนก็ไม่ได้เอาลองให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเลยไปอยู่ในห้องที่ขนาดเท่าตัวพอดีขยับก็ไม่ได้ยืดขาก็ไม่ได้ยืดแขนก็ไม่ได้นี่คือความทุกข์ของคนเกิดเอาอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2คือความทุกข์คือความแก่ความแก่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงก็แก่เนี่ยทำให้ มีโรคมากนะแล้วก็ <Okay. S 1> แก่พอโรคมากจนกระทั่งมันคือ น, นำความตายมาให้ใกล้ความตายมากเข้าเป็นแก่รังโรคแล้วก็แก่ไม่มีไม่มีแรงถ้า <Okay. S 1> แก่แล้วมีแรงมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะก็ค่อยว่าไปอย่างเนาะแต่นี้แก่แล้วกับอ่อนลงแย่ลงมันก็จึงไม่ดี <Okay. S 1> อันนี้คือทุกข์คือความแก่ส่วนทุกข์คือความตายเป็นยังไง ทุกคือความตายเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าสมมุติสามีตายใช่ไหมภรรยาต้องมานอนอมาร้องไห้คร่าครวญลูกเต้าต้องมาจัดงานศพพวกนี้คือความทุกข์เนี่ยอันนี้ความทุกข์ของคนเป็นคือความทุกข์ของคนที่ยังอยู่ยังไม่ใช่ความทุกข์ของคนตายหรือว่าจะต้องมาจัดงานศพอะไรต่างๆเสียเงินค่า ง, งานศพพวกนี้สับเหลือต้องมาเผาศพพวกนี้ก็เป็นทุกข์ของคนเป็นแต่ทุกข์ของคนตายคือจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณยมติ้ยคือการที่คนตายเนี่ย จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองเคยมีความสุขอย่างโยมโย ม, โยมแม่ของอาตมาเนี่นะเสียไปแล้วใช่ไหมก็ตอนก่อนเสียเนี่ยยังเคยพูดถึงความสุขที่ตัวเองได้เคยไปเที่ยวเขาคออยู่ครั้งหนึ่งก็ได้มีการนัดหมายว่าเดือนเดือนถ้าออกจากโรงพยาบาลไปนะจะไปเที่ยวเขาคออะไรกันอย่างนี้นะเราก็มอ ง, มองว่าโอ้นีนะ่คือทุกข์ของคนตายคนตายจะไม่ได้ไปแล้ว จะไม่มีโอกาสไหนในโลกนี้ชีวิตนี้ต่อไปที่เขาจะต้องไปไปเที่ยวมีความสุขอย่างที่เขาเคยมีนั่นนะ่ะคือทุกข์ของคนตายความสุขต่างๆที่เขาเคยมีเงินในกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าจบเลยนะตายจบหมดเอาไปไม่ได้เอวังเลยนั่นคือทุกข์ของคนตายค่ะส่วนเรื่องความโสวความร่ำไรําพันยุงกัด เคมามาด่าเจ็บใจครับแค้นใจพวกนี้เป็นทุกข์าจรบางคนก็ไม่มีคน ะ, ะบางคนก็ไม่มีอแต่ว่าทุกแน่ๆทุกเขาเรียกว่าทุกจริงๆคือเกิดแก่ตายทุกคนต้องมีแน่นอนหนีไม่พ้นเจ็บด้วยไหมคะ เ, เจ็บนี่บางคนไม่เจ็บน ะ, ะอย่างดีที่สุดก็ปวดอึไปห้องน้ำํำแต่จริงๆแล้วท่านคะจะว่าไปนะมนุษยนะ์มันจะมีเลยไหมคะคนหนึ่งที่ไม่เคยเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรเลยแม้แต่น้อย คือดิฉันจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะออว่าคําว่าเจ็บเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องโคม่าคือหมายถึงอาการหนักแต่บางทีเราปวดศรีรษะนะคะปวดไม่ได้มากมายแบบคนอื่นแต่เราก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะท่านคะเอาแค่ปวดห้องน้ําปวดเบาปวดหนักก็ได้แค่นี้ก็ถุกพ่อแรงแล้วนะพระเจ้าเคยบอกว่ามีอยู่สมัยหนึ่งที่คนเนี่ยไม่มีโรคอะไรเลยนะมีโรคมากที่สุดเนี่ยคือปวดห้องน้ํา ปั ส, สวะอุจจาระโรคอย่างอื่นไม่มีนะนทุกคนถูกต้องเป็นทุกของคนในสมัยนั้นก็คือแค่ว่าเกิดแก่ตายอุจจาระปัสสวะห้าอย่างเท่านั้นเองไม่มีความสวยความร่าเริำพันธ์พวกนี้ไม่มีปวดหัวปวดท้องไม่มีนะโรคภัยไข้เจ็บความเขาเรียกว่าทุพพลภาพของกายเนี่ยไม่มีเลยตอนนั้นสมัยนั้นคนอายุแปดหมื่นปีตอนที่สมัยคนอายุแปดห 0,000 ืนปีมันสักเมื่อไหร่อะไรอ่างเโอ้นานมาแล้วนานมาแล้วคือคนอร่างกายแข็งแรงมากนะ ดิฉั น, ฉ น, ฉนขอจะขอประทานโทษที่ขำนะคะคือถามว่า อ, อ๋อความทุกคนสมัยนั้นที่ทุกข้าวท่าน้ำอย่างนี้เองเหรอใช่แค่นั้นเองแล้วก็สมัยหนึ่งถัดมาคนอายุสี่หมืนปีหรือสองหมืนปีนี่แหละก็จะมีทุกเพิ่มขึ้นมาอีกสองอย่างคือความหิวกวับความกระหายหิวข้าวหิวน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกสองอย่างอย่างอื่นไม่มีนะแค่นี้เองเห็นว่า ถ้าเราทําความดีมากๆเนี่ยทุกเราจะน้อยลงมาแต่ยังไงก็ยังมีความเกิดแก่ตายนี่แหล ะ, ะเป็นทุกที่แน่นอนมั่นคงเอเราวันนี้รู้รายะเอเรื่องทุกไปลักษณะนี้แล้ววันต่อไปก็คิดว่าจะอธิบายเรื่องที่ในอริยสัจสีลึกๆขึ้นไปกันแล้วกันเนาะค่ะเพราะว่ า, วาสิ่งที่ท่านท่านเป็นบูรณาสอ น, น, นเป็นสิ่งเออเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเรื่องเดียวเท่านั้น แต่ว่าเราเน้นใ้เห็นชัดๆว่าเราจะไม่ไปทางนู้นทีทางนี้ทีเหมือนกับเวลาที่ในห้วงเวลาอื่นๆที่ผ่านมาตามข้อสงสัยของผู้ถามนะคะแต่จะเรียงให้ค่อนข้างเป็นระบบหน่อยเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเพราะถือว่าเป็นเทศกาลพิเศษเข้าพรรษานะคะ <S <S สัปดาห์นี้ต้องกราบขอผู้คุณท่านเพบู์ซึ่งในการเรามันมีแค่วันศุกร์นะคะก็อยากมีเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน <S <S แต่เนื่องจาก เป็นวันหยุดของเราอยู่และมีรายการอื่นอยู่ดิฉันก็จะพักผ่อนไปพร้อมๆกับท่านมาร์กที่พักผ่อนสำหรับรายการนี้ไปทำกิจอย่างอื่นนะคะแต่ท่านเพบู น, นั้นท่านจะไปจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันนี้ด้วย ช, ช่วงเวลาตอนเช้าเหมือนกันสารอาทิตย์เลยก็ไปพบท่านที่นั่นน้ัสการของพระคุณค่ะอาจรย์พานค่ะ และเพียวธมาด d com s l a s ตามไปถามท่านพบูลเลยนะคะจะมาตอบในรายการนี้ส่วนรายการของเรา0 2 2ย์สองสท่านติดต่อไปทิ้งคําถามก็ได้จะขอหนังสือพุทธวจนะที่ท่านคึกฤทิ์พระอาจารย์คึกฤทิ์เจ้าวาดวัดนาป่าพงได้มอบให้เราวันละ3เล่ม น, นะคะสําหรับท่านฝั่งทุกๆ ท, ท่านที่โทรเข้ามาทัน3ท่านแรกในแต่ละวันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า พุทธวัตสวัสดีค่ะ